แม้กระทั่งการกินข้าวเนี่ยก็เคี้ยวข้าวเร็วมากนะมื้อหนึ่งเนี่ยไม่ถึงห้านาทีก็รีบไปแล้วไปไหนนะไปทำงานในระหว่างที่เคี้ยวนี่ก็คิดถึงแต่เรื่องงานเจอคิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะก็เลยทำโครงงานเคี้ยวข้าวให้ช้าลงใ้โครงงานนี่เนี่ยทุกคนทาต้องทำทุกวัน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 อันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะเมืองนอกเอามาเข้าคอร์สคอร์สหนึ่งนะก็คือว่าให้มีการออกกำลังกายวันละสองสาประมาณสองชั่วโมงนะออกกำลังกายหลายแบบเช่นยกน้ำหนักวิ่งนะหรือว่าแอโรบิกทุกคนที่เข้าคอร์สนี่ก็ต้องนะต้องมาร่วมกิจกรรมนี้ทำไปได้ประมาณ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 แต่ให้แกนะทําสมาธิให้ข้าเวลาห้านาทีเท่านี้ก็พอห้านาทีเท่านั้นแหละนะไม่ได้มากกา่าอะไร mm. เขาก็เลยคิดว่าเออทําได้ก็เลยรับปากหลวงปูดด่ดูพอรับปากไปแล้วเพว่าทําตามที่พูดนะทําตามที่ได้รับปากเอาไว้นั่งสมาธิเสร็จ mm. เพื่อนชวนไปกินเหล้าก็ไปนะยังไปยังกินเหล้าอยู่นะแต่ก็นั่งสมาธิไม่ขาดเลย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 ความสุขจากสมาธิมันประเสริฐกว่าการความสุขจากการกินเหล้าเยอะนะก็เลยในสุดนะงดเหล้าได้เลิกเหล้าได้ถ้าไม่พอนะตอนหลังก็ออกบวชนะนะตัดสินใจบวชเลยนะจากศีลที่เคยรักษาไบบกระพ้องกับแพงศีลห้ายังไม่ครบเลยนะอาจจะทำได้แค่ศีลสามหรือว่าศีลสี่ตอนหลังก็สามารถจะทำ ได้มากกว่านั้นนะศีสองยบ็ก็สามารถจะรักษาได้อาจจะไม่ครบถึงสอง็นะแต่งน้อยก็สองร้อข้อนะอันนี้มันก็เริ่มต้นนะจากสมาธิแค่วันละหนาทีให้ความดีไม่เพียงเล็กน้อยนะี่อย่าประมาทนะเหมือนกับหยดน้ำเนี่ยหยดน้ำหยดเล็กๆนะรวมกันหลายหยดเนี่ยมันก็กลายเป็นลำทาน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 แล้วห่วงน้านี่มาจากไหนพ่วงน้าก็มาจากน้ำหยดเล็กๆนะที่รากที่ต้นไม้แต่ละต้นเยังค่อยๆ ค, ย ค, ย ค, ย ค, ยคยายออกมานะพวกเรานี่ยถ้าเราไปดูต้นกําเนิดของแม่น้ำนะเช่นเจ้าพญานเนี่ยเราก็รู้ใช่ว่ามันเกิดจากปิงวางยมนาศแต่ถ้าเราต่อไปดูว่าปิงวังยมนานมาจากไหนนะก็เพราะว่ามันก็มาจากต้นน้ำนะมาจากลําธารสายเล็กๆ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 ต้นน้ำทั้งหลายนี่มันเล็กๆนะแต่มันกระจ า, กกะจายเคยไปโอยถ น, นนนะโดยถ น, นนนี่ก็เป็นเป็นต้นกําเนิดของเจ้าพยาก็ว่าได้นะเพราะว่าแม่น้ําสายสําคัญเนี่ยนะที่ก่อให้เกิดเจ้าพยาเนี่ยก็มาจากโดยถ น, นนต้นน้ํานี่มันที่โดยถน น, นนเนี่ยแช่ๆเล็กๆนะแต่ว่ากระจาย ก, กระจายไปทั่วเมื่องราดูอิงไกลเนี่ยต้นน้ําที่พูหลงเนี่ยนะมันก็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 การเจริญสตินะมันก็ไม่ต่างการเรียนภาษาต่างประเทศนะคือต้องอาศัยสติเหมือนกันนะเราเรียนภาษาต่างประเทศลองอาศัยสติในการที่จะระลึกว่าอ๋อไอคค้คเนี้มันแปลว่าอะไรในภาษาไทยนะ discourse เนี่ยจำไม่ได้คืออะไรต้องใช้เวลาสักหน่อยจึงจำได้อ discourse มันแปลว่าคําพูดบทสนทนานะแต่จําไม่ได้เนี่ยต้อง เปิดดี บ, บ่อยๆเปิดดี บ, บ่อยๆนะเป็นสิบเป็นร้อยครั้งการเจริญสติก็เหมกาการที่จะรู้กายรู้ใจเนี่ยนะมันต้องอาศัยอ่าการทำ บ, บ่อยๆก็คือฝึกให้มีสติรู้กายรู้ใจ บ, บ่อยๆเริ่มจากการรู้กายยกมือนะยกมือทําไปสิบครั้งเนี่ยรู้ตัวว่ายกมือแค่ครั้งเดียวบางคนทําไปร้อยครั้งก็รู้ว่ายกมือแค่ครั้งเดียวเพราะที่เหลือเนี่ยใจลอย แต่ว่าทำไปบ่อยทำไปบ่อยยกสิบครั้งก็รู้ประมาณสองครั้งทําอีกทําอีกทําไปเรื่อยๆนาะยกสิบครั้งก็รู้สามครั้งนะในสุดนี่ก็รู้เนี่ยเกือบจะสิบร้อยทั้งร้อยนะอันนี้เรียกว่าสติมันพัฒนามากขึ้นจากการที่ทําซ้ําๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องสติอย่างเดียวนิสัยอย่างอื่นด้วยก็เหมือนกันนะการมองแง่บวกหลายคนก็รู้ว่าการมองแง่บวกที่เป็นของดีนะ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 แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่เค่อยมีปัญหานะเรื่องคนที่ออมองลบอะ่ะส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการมองบวกคือมองไม่เป็นนะถ้ามองบวกบ่อยๆนันก็จะเห็นวนะ่เอออะไรที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นนะอย่างมากก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่า น, นี้นะหายร้อยบาทก็ดีเหมือนกันนะดีที่ไม่ได้หายร้อยไม่ได้หายพันบาทหรือโทรศัพท์ไม่หาย หวาหายร้อยบาทก็ดีเหมือนกันนะฝึกให้เราไม่ประมาทฝึกให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยวางแต่ก่อนนี่แค่แม่ค้าทอนเงินขาไปบาทสองบาทนี่คิดแล้วคิดอีกนะเสียดายนะไ ม, ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางแต่ตอนนี้ฝึกนะให้ปล่อยวางแม้กระ ท, ทั่งเงินหายร้อยบาทพยายามหาเท่าไหร่หาไม่เจอก็ปล่อยวางนะมันก็ฝึกการปล่อยวางได้หรือฝึกให้เรารู้จักไม่ประมาทนะให้รู้จัก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 จับตัวเองได้มันเริ่มต้นจากการมีนิสัยใหม่กันและจากนิสนัยใหม่นี้ก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดิงตัอีกมากมายพวกเรานี้เมื่อกลับไปนะกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานเนี่ยลองลองเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหนึ่งเรื่องนะไม่ต้องสองเรื่องก็ได้ไม่ต้องสามเรื่องก็ได้เอาแค่หนึ่งเรื่องนะอาจจะเป็นเรื่องการบริโภคนะหรือเป็นเรื่องการ